พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวาดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สทธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าปุณเก่าพามาแต่อย่าลืมเมตตาต่อกันวันนี้เป็นวันที่สทธันวาคมพุทธศักราช2559 หลวงพ่อได้รับนิมนต์ไปประเทศปากีสถ า, านตั้งแต่วันที่30เดินทางจากจวนภูมิแห่งนี้แหะออกจากที่นี่ เ, เกือบทุ่มเราก็ไปถึงที่นู่นใช้เวลาหชั่วโมงนั่งเครื่องบินก็ไปถึงที่นู่นก็ช่างสถานทูตไทยตอนก็มารับที่สนามบิน แล้วก็เข้าไปพักที่สถานทูตสถานทูตของท่านเนื้อที่ทั้งหมดแปดไร่กว้างนะแล้วก็มีรั้วล้อมรอบแน่นหนามั่นคงอีกต่างหากอาคารสร้างเต็มหมดท่านบอกว่าท่านทูตท่านบอกว่าการก่อสร้างหมดประมาณ3 3 0 0ล้านเหมนนตรงนี้ไปเห็นแล้วโอ้สมบูรณ์แน่นหนามั่นคง จากนั้นก็วันที่หนึ่งกฉันจังหันเช้าสวดมนต์เย็นสวดมนต์เย็นสวดมนต์นน เ, นเพื่อทำทำบุญเกี่ยวกับสถานทูตเพราะตั้งแต่ตั้งทูตตั้งสถานทูตมาท่านก็ยังไม่เคยทําบุญเพราะพระไทยไม่เคยไปพอเราเป็นพวกเราไปเป็นอาจจะเป็นกลุ่มแรกที่ไป พักที่สถานทูตแห่งนี้นะแล้วก็ทําบุญสวดมนต์สวดพระปริตตะมงคลตอนเช้าเวลาตั ก, ท, กท่านคทพิธีใส่บาทตักบาทนะแล้วก็ตอนเย็นมาหลวงพ่อก็ได้กล่าวสำโมธนิยกถาตอนรับผู้ที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็วันที่สองเป็นวันสำคัญ ที่สถานทูตที่มลไปก็คือทาบุญเป็นการถวายพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทาบุญครบรอบ50 50วันเราก็ได้ทำพิธีทางศาสนาพุทธศาสนาอันนี้ก็คือพอจากน้ำมา ก, ก็ท่านก็พาไปชม หลวงพ่อไปเขาเนี่ยได้หลวงพ่อเองแต่ได้พูดแต่เมืองตะกัชีลาตะกัชีลานะท่านก็พาไปเมืองตะกัชีลาที่นี่แหละประเทศปากีสถ า, า น, นไปเห็นก็มีเห็นแต่ซากสลักหักพังเห็นแล้วก็โอ้สโสดรถหดหูทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าสร้างมาเท่าไหร่ก็พังเท่านั้นแหละวัตถุนะ่ารบ่เนื่องจากแผ่นดินไหวนี่แหละสรุปแล้วก็คือ เป็นประเทศที่อยู่ในความถ้าจะถ้าหากว่าพวกเราจะไปไปเที่ยวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าเที่ยวน่าดูแต่ว่ า, เ, าเดี๋ยวนี้มันคคนในประเทศของเขาเป็นหลายกลุ่มหลายกลุ่มหลายหมวดหลายหมู่หลายคณะนะดูดูแล้วก็ไปดูดูแล้วก็ไม่น่าไม่น่าทัศนศึกษาพูดอย่างงั้นได้นะเพราะว่าดูดูแล้วก็ ไปมุมไหนก็มีตั้งแต่ความเตรียมพร้อมของบ้านเมืองของเขาอันนี้คือบ้านเมืองของเขาเราหลวงพ่อพูดให้ฟังแต่ความที่จะหนักหนาอย่างไงหลวงพ่อก็ไม่รู้จักแต่ว่าไปเห็นด้วยสายตาแล้วก็เขาเตรียมพร้อมความระเวียงระวงังพูดง่ายๆนะนี่แหละแต่เมือ่อ ว, วานนี่ก็สรุปแล้วคือไปพักอยู่ที่สถานทูตสมคืน4ี่วัน เมื่อคืนนี่ก็นั่งเครื่องจากสนามบินของเขากรุงอิสลามาบัดนะที่กรุงใหม่นะบ้านเมืองเขาก็กรุงบ้านเมืองเขาเป็นกรุงใหม่บ้านเมืองใหม่ใครๆก็บอกเขาสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ถนนขนทางของเขาก็กว้างขวางนะแล้วก็นั่งเครื่องประมาณเที่ยงคืนนะมาถึงที่มื้อเช้านะี่สว่างพอดีพอดีมาถึง สุวรรณภูมิของพวกเราและก็มาลงที่นี่กนะันน่นพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมพร้อมหน้าพร้อมตาอุ่นหนาฟ้าขึ่งแล้วก็อาหารการบริโภครู้สึกว่าล้นหลามจากน้ําใจพี่น้องลูกหลานทุกคนขอให้ลูกหลานทุกคนได้บุญได้กุศลบุญกุศลคุ้มครองเน้เกิดมาพบได้ชาติได้เขาว่าอดอยากจะได้มีเพราะว่า ไปเห็นประเทศอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นนก็เออแต่คนในเมืองเขาคนรวยนะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต้อบอกไปชนนบสแล้วก็นี่แหละถามติดถามท่านทูตท่านก็บอกเออเป็นประเทศที่กำลังกำลังพัฒนาอยู่ครับหลวงพ่อเพราะคนเขาเยอะเขาพัฒนาไปด้วยไปเรื่อยๆของเขาแหละเพราะคนทั้งสองรอยกว่าล้านน่แหละใครว่าการพัฒนามันก็ยาก แต่สรุปแล้วก็คือพวกเรามาเกิดในประเทศไทยนี่ที่หลวงพอมองเห็นแล้วหลวงพอวันดีที่สุดทำไมจึงว่าดีที่สุดเราอาจจะได้มองมุมมองหลายๆมุมมองนะเพราะหลายๆมุมมองแต่มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยปจิโร่ปจิรูปรเทสวาโซจะปุบเพจั ก, กตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิพวกเรา คงได้สร้างบุญไว้ในอดีตตชาติน ะ, ะปฏิรูประเทสวารโซจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ดูแล้วเป็นชาสมรภูมิในที่ดีไม่มีแผ่นดินไหวถึงอันตรายไม่มีน้ำท่วมแต่น้ำท่วมปี5สีนั่นนะ่ะหรือว่าน้ำท่วมวัดหลวงพ่อนะอันนั้นบังเอิญ น, นะแต่น้ำท่วมกรุงเทพปี5้าสีคล้ายๆว่าเขาไม่อยากจะให้น้าไหลไปทางน้าไหล เขาอะไรกั้นไว้มันก็เลยท่วมอันนั้นก็คือคนเราทําให้น้ําท่วมปีห้าสี่นะแต่ตามไม่จริงน้ําจริงๆมันก็ไม่ท่วมมากถึงขนาดนั้นนะนี่แหละอันนี้คือปฏิรูปประเทศเทศน้ําก็ไม่ท่วมแผ่นดินก็ไม่ไหวพายุก็ไม่ไม่รุนแรงเออแล้วก็การเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนในชาติก็ถึงยังไงก็ยังเ อ, อื้อเอื้อเฟื้อเอื้ออารีกัน มีน้ำใจต่อกันการเป็นอยู่อาหารการบริโภคของอุรม์สมบูรณ์หนาวก็ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนมากอันนี้คือว่าปฏิรูประเทศสวาโซจ่าทบนยายไปแล้วก็มีมากทีเดียวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเรามีพุทธศาสนาคลุมครองแล้วก็พีมีพระมาหากษัตริย์ในหลวงของเราเให้ความคุ้มครองประสบนิกรก็ได้รับความ ร่มเย็นเป็นสุขทางพุทธศาสนาด้วยทางพี่น้องประชาชนด้วยนะอันนี้คือปฏิรูประเทสวาาโซจารนะ์ปุเพจักตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตชาตินะอย่างพวกเราท่านทางหลายเดียวนี้นะเมื่อทำบุญใส่บาตตักบาตถวายปต a หารพระสงฆ์งครูบาอาจารย์ทำคุณงามความดีอันหดก็ตามพวกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าสาธุเนอร์ผู้ฆ่า เกิดมาพบใดชาติใดคําว่าอดอยากอย่าได้มีอย่าได้ไปเกิดในสถานที่มีศึกสงครามอย่าไปอย่าไปเกิดในสถานที่อดอยากขันดาลขอให้ข้าพเจ้าเกิดในคนมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอุดมสมบูรณ์จนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นทุกนิวริตะสงสารถึงแดนพระนิพพาน พวกเราก็คงจะตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะสมความมุ่ง ม, มาดนปรารถนาแต่เมื่อมาเกิดแล้วบางคนลืมตัวได้ไงพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ลืมตัวสิ่งไหนที่มันเลวสิ่งไหนที่มันชั่วขนมาใส่ตัวเองทั้งกินเหล้าทั้งชุลนาลีพาชีกีฬาบัตร ทำตัวไม่ดีทางคตรทางโกมเป็นนักเลงหัวไม้เ อ, อทีเท่าสรุปก็คือสิ่งที่ไม่ดีนะขนเข้ามาใส่ตนเองในเมื่อข น, นเข้ามาใส่ตนเองตอนนี้เราว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบแล้วไป อ, อ, อัตตาสมมาปณิที่นี่คือตั้งตนไว้ไม่ชอบลืมตัวลืมเจ้าของพอลืมตัวเองเท่านั้นแหะตอนี้ออกจากชาตินี้ไปแล้วนะตกต่ํานะ พูดอด้อย่างนั้นเลยในหลักของพุทธศาสนาต้องตกต่ำเพราะเหตุไรเราไม่ได้ทำคุณงามความดีเมื่อเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองใครก็เป็นบุญกุศลเป็นเพื่อนสองเข้ามาเป็นคู่กับเราถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะเป็นเพื่อนสองของเราอีกเหมือนกันจะพาเราไปทางต่า เพราะนั้นถ้าว่าเราตั้งตนไว้ไม่ชอบนะหว่าท่านว่าตั้งท่าว่าตั้งตนไว้ชอบออก็จะเป็นไปในทางที่ดีอัตตสัมมาปนิธิออนี่แหละเอตมังครมุตตะมังเป็นมงคลเป็นมงคลเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดนะเพราะนั้นพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาออได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่นะ อุดมส ม, มบูรณ์บัตรีอุดมสมบูรณ์จนเกินไปจนหลงลืมตัวแต่หลวงพ่อไปเห็นแล้วท่านทูตก็บอกว่าทางเมืองนี้เขาอยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายเพราะเรียบง่ายคําว่าเรียบง่ายคํานี้ก็คืออาจจะไม่อุดมสมบูรณ์มีอะไรก็ได้กินได้กินง่ายๆจบจบไปอย่างนั้นก็ได้แต่พวกเราเนี่ยวันนี้จะกินอะไรเลือกอีกต่างหาก กินจักวันนี้จะกินอะไรจนคิดลําบากเผลอเผอทะเลาะกันอีกต่างหากคนหนึ่งอยากกินอันหนึ่งคนหนึ่งอยากกินอันหนึ่งเพราะมันมากเกินไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือพวกเราถ้าจะว่าไปเลยก็เป็นผู้มีบุญเก่าพามาเกิดบัดนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอนาณศจารย์ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟัง น, นี่กันนี่การไปในคราวนี้ครั้งนี้ก็ไปเพื่อรับกิจนิมนต์ เพราะจะฐานทูตทั่วโลกก็บอกว่าให้สถานทูตทําบุญถวายเป็นพระราชฎุขุสนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงพ่อเขาใ น, นมณฑลมาหลวงพ่อกันนี่แหละคิดว่าอือท้าหาว่าเราเออเป็นใครเราเป็นประสบนิกรของพระ อ, องค์เอ่ถ้าเรามีสุขภาพพอที่จะไปได้อยู่อหลวงพ่อก็เลยได้ไปรับกิจที่มล น, นี่แหละสําเร็จดูล่วงมาแล้ว วันนี้ได้กลับมาเห็นมากับมาถึงลูกถึร์ลานแล้วแ่เนียที่แรกก็คิดว่าวันนี้จะกลับวัดเลยขึ้นเครื่องกับอุอดรเลยแต่ก็มีกิจธุระอยู่ในกรุงเทพอกอกลุงพ่อก็คงจะได้อยู่ในกรุงเทพอีกวันพรุ่งนี้แหละ เ, เสร็จธุระแล้วก็คงจะกลับวัดมาคราวนี้ลุงพ่อมาหลายวันนะลูกลานนะมาตั้งแต่วันที่25จนกลับวันที่หลูกลานว่ากี่วัน หนีจากวัดมาหลายวันพวกเรานะศรัทธาญาติโยมนะเหนีจากวัดหนีจากบ้านตัวเองสองสามวันนะยังคิดถึงบ้านนะหลวงพ่อก็คิดถึงเหมือนกันเลยหลวงพ่อก็คิดถึงวัดหลวงพ่อเหมือนกันนะนะั่นแหละแต่ทียังไงกับภาระทุระอย่างอื่นมันมีอยู่นะเอไม่มีอะไรที่จะสบายเท่าอยู่บ้านตนเองนะเอถึงจะอยู่กระท่อมหัวไร่หัวไรไป่ปล า, นะายนาะเ่อยู่ในกระท่อมหัวไรไป่ปลายนา ก็ยังสะดวกสบายกว่าอยู่ในสถานที่โออาพร้อมทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมันสัพเพยะมันต่างกันน ะ, ะสัพพยะของพระกรรมฐานอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะอยู่ในปา่าตรงพงไผ่เลยหลบไปที่ไหนหลบไปที่มันสบายกว่าน ะ, ะเหมือนกับพวกพวกแกล้งพวกอนั้นนะอ่ะมันอยู่ในปา่ามันสบายกว่าถ้ามันจับมาอยู่ในกรุงเนะ่ย ไม่รู้มันจะไปทางไหนเออมันก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนอีกเหมือนกันถ้ามันอยู่ในป่ามันจะสะดวกกว่าไงลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อกัลักษณะอย่างนั้นนะลูกหลานเพรหลวงพ่อเป็นพระป่า พ, พระดงเกิดมาในป่าเป็นเนรกนเนรป่าตั้งแต่อายุ1112อ็ดสอปีอยู่เป็นจำเนรจากนั้นก็เป็นพระป่ามาโดยตลอดเนี่ยจนอายุถึง7จปีปีนี้ลูกหลาน พวาะนั้นเรื่องสัพพายะเราก็ต้องอยู่ป่านะต้องสัพพายะกว่าสะดวกสบายกว่าแต่บางครั้งมันก็ต้องยืดหยุ่นเราอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมของโลก เ, เราควรปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริ ษ, ษัท4ของพระพุทธเจ้าต้องพึ่งพาอาศัยกันนะ เ, เราจะไปเอาดันทุลังเอาแต่สะดวกตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องยืดหยุ่นยืดหยุ่นหากันนี่แหละเนี่ยการเป็นอยูวยวเอ่เรื่องความสะดวกสบายเรื่องสัพพะยาสำหรับสวนตัวนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องสาธารณประโยชน์เรื่องชุมชนสังคมนี่มันต้องมองอีกมุมหนึ่งนี่แหละการอยู่ด้วยกันนะการอยู่ด้วยกันอย่าเอาอย่าจะเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ได้พนอะเอาอย่างนึงแม่ก็เอาอย่างนึงลูกก็เอาอย่างหนึ่ง ต่างคนต่างดันทุลงังใครดันทุลังเราผลใ น, ะนถูกก็เลยถึงจะไม่ทะเลาะวิวาทกันกับใคยๆว่ากินแหนแข่งใจกันลึกๆเหมือนกับไม่ฟังคํากันลักษณะอย่างนั้นไม่ควรจะมีควรจะเอาน้ําใจใส่กันยืดจุนหักกันนะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอ่าเนี่ยแหละหลวงพ่อวานะยังไปเห็นประเทศของเขาเนี่ยหลวงพ่อก็ยังมานึกย้อนมาหาประเทศไทยของเราเอมีเมือเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะ หลวงพ่อยังตําหนิในใจอยู่เลยยังตำหนิอยู่ทั้งทุกวันเนี่ยหลวงพอ่อเอ้เป็นผู้ใหญ่ทําไมไม่รู้จักผิดถูกควรไม่ควรจะไปทะเลาะ ก, กันเหมือนกับเด็กได้ยังไงหลวงพ่อว่านะเอ้มันน่าจะหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปาล็อกันผู้ใหญ่เอ้ไม่ใช่ว่าดัานทุลังใครดันทุลังเอามันเสีย ม, เ ส, ยมเสียประเทศชาติไปเอ้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อตําหนินะเพราะนั้นลูกหลานทุกคนนะต่อไปภายภาคหน้านะ่ พื้นแผ่นดินไทยคือเป็นของเราทุกคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านปกป้องพันดูแลประเทศชาติมาท่านให้ความอบอุ่นมาพวกเราเป็นลูกเป็นหลาน เ, เป็นประสบนิกรทุกคนมีอะไรหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรรบกันรักกันเมตตากันหาอยู่หากินคนใดร่ารวยกับแบ่งแบ่งให้พวกที่ยากจนไม่ใช่ว่าตัวเองรวยแล้วก็ ไม่มองหน้าใครตัวเองได้เปรียบคนแล้วก็กินตะพัตะเพือแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรผลในสุดนั่นแหละคนที่ยากจนนั่นแหละจะเป็นพิษเป็นภั ย, เ ป, ภ ย, เ, ปภยเป็นเสี้ยนเป็นหนามถ้าคอตัวเองก็อยู่ยากอีกเหมือนกันนะทีนี้เพราะอะไรเพราะขาดการเมตตาขาดความเมตตาขาดน้ําใจเพราะอยู่ในประเทศชาติเดียวกันต้องมองกันนะพี่ได้สองน้องได้หนึ่งแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างตายอะไรทีนี้ อไอ้คนรวยๆก็ไม่ถึงจะอยู่พันปีไม่ใช่นะเหมือนกันนั่นแหละอาอายุนะ เ, เพื่อเพื่ออจะอายุน้อยกว่าคนที่จนก็ได้เพราะคนคนที่จนใช้กรรมก็เลยอายุยืนนะไอ้คนที่รวยนะี่เสวยสวยความสุขตัวเองเลยก็เลยรีบไปก็มีฮอแต่ยังไงก็ไม่แน่นอนสักอย่างหรอกแต่ถึงยังไงก็ให้มีน้ำใจต่อกันะดีที่สุดหลวงพ่อว่านนะมีอะไรก็แบ่งสันปันส่วนกันอมีอะไรก่อนีะ่ะนะ อย่างหลวงพ่อเล็กเนี่ยเห็นไหมขนาดท่านยากจนนะท่านยังไปสร้างโรงพยาบาลอําเภอสังคมตั้ง200กว่าล้าน5ชั้นแล้วก็สร้างโรงเรียนกันหลายๆแห่งที่ท่านทำหลวงพ่อยังอึ้งนี่แหละคือน้ําใจแต่หลวงพ่อก็ยังชมอยู่นะบอกว่าท่านจะมีท่านอาจารย์จะมีหลวงพ่อจะมีกับหลวงพ่อเล็กสร้างตึกให้อําเภอสังคม หลวงพ่อยังชมอยู่โอ้โหกินดีหมีดีเสือดีงูจงอางมาจากที่ไหนทำไมกล้าทําขนาดนะั้นหลวงพ่อยังไม่กล้าไม่กล้าทํานะงบประมาณไม่ใช่ธรรมดาแต่ได้จวนจะเสร็จแล้วนะนี่แหละเพราะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นใช่ยาเมื่อทำขึ้นไปจะต้องสําเร็จอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันท์ามีความพอใจ วิริยะมีความเพียรพยายามกิตตะเอาใจฝักใฝ่วิมังสากันกรองไตรตองว่ากิจการนี้จะทำยังไงจึงจะสำเร็จรู้ล่วงไปได้นะใช้ปัญญากันกรองไตรตองหาวิธีการเนมะื่หลุดไม่เหลือวิสัยนะสำเร็จสงความมุ่งมา่นรปรารถนาไดนะ้นี่แหละอันนี้ก็คืออีกไม่นานกับพวกเรากคงได้ไปฉลองโรงพยาบาลของหลวงพ่อเล็กมาอ้หลังบักแก่นะั้นลูกหลานหลวงพ่อไปเห็นแล้ว สวยงามอีกต่างหากมีภูเขาล้อมรอบีกต่างหากผมมีทัดดีมากเลยขึ้นไปอยู่บนทั้งบนนะอํอเภ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อสังคมมันติดม่น้ำโของในต่างหากนะาตอนนี้ไปหลูกพอ่อกับคณะสงฆ์จารุมโมธนาให้พรและพร น, ะนัตตนะ